ฟังสบายอยู่ตังสบายฟัาเสียงคุมาก็ไม่ใช่ตังหน้าตั้งตามาฟังธรรมะคือตังหน้าตั้งตามาปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องศึกษาฟังไปด้วยระยะเวลาที่เราฟังก็เท่าับ เป็นการฝึกอบรมสมาธิสื้ตาที่เจินาจิตใจของตัวเองไปในตัวเราทำโดยตัวของตัวเองบางครังบางหนมันก็สะดวกสบายบางั้งบางหนมันก็ขัดข้องการตั้งเหตุจิตปรอมจิตเพื่อจะให้สงบนั้นบางวันบางเวลามันก็ลำพันบางการบางสมัยมันก็ รู้สึกว่าเป็นฝนดีอีกเหมือนกันทุกคนที่เคยติกฝนเคยอบรมตนของตอนมาอย่างตาบในเรือเหล่านี้ไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยพิธีการการทันธุ์ทำถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นของนักบำเพ็ญภาวนาถือเป็นของเล่นของเล็ก น, น้อย เป็นคิดใด่ในการระดับรลบฟังไปสู่แสดงสมัยพุทธการก็มีผู้เทศเจ้าหรืออริยสาวแสดงสู่กันฟังท่านจิแสดงนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยไม่อาจทมภายในใจของท่านมาแสดงสู่สู่จิตสงสัยลังเลสุดใหม่ระดับรับฟัง แต่สมัยปัจจุบันทุ่วันนี้ในเจนอย่างนั้นเหมือนกันกับคนตาบอดจีงคนตาบอดถ้าว่าจะไปตกเิ้าตกบอดที่ไหนผู้แสดงกม็มีธรรมะภายในใจจำมาจากสำหรับตำราหรือคิดเดาเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ฟังก็ขาดไม้ไป ต, ตามผู้แสดง หรือบางท่านบางคนที่เคยฝึกฝนปฏิบัติมาทราบดีของเรื่องการปฏิบัติด้านสมาธิด้านปัญญาของใจผู้แสดงแสดงออกไปในโสวิขทางให้ <c oughs> เขาก็หัวละเฉยย่ง <c oughs> นี้ก็มาแสดงถูกคนอื่นเขาฟังมั้งแต่ได้แบบนี้มีเยอะแยะ เพราสมัยนี้โดยส่วนใหญ่พระเจ้าจพระสงฆ์อยู่ต้นใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความหมดสิ้นจากอาสวะกิเลส น, นั้นมันมีจํานวนน้อยแต่การบวชมีจํานวนมากแต่การปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนกิเลสปัญหานั้นมีจํานวนน้อยที่สุดไม่ต้องพูดถึงคนอื่น ปวดถึงตัวของตัวเองระยะเวลาศึกษาใหม่ใหม่บวชใหม่ใหม่จิตใจที่จะอยู่ในเร่องของธรรมะมีน้อยแต่คิดตึงไปเรื่องนอกเรื่องโลก ร, รู้สึกว่ามากเน่ยจำนวนของโลกของกิเลสมันมากธรรมะมั น, น, น็้องมีกำลังที่จะต่อสู้ สังคุตแสดงจึงหายาหากจะพิจานาตามขอดอขอดที่ทฉันกล่าวเอาไว้เป็นของหายาจิตชังแต่ธรรมสวรรคนังการฟังธรรมฟังได้ยากขวอนี้คปนจะหมายถึงคูตแสดงนั้นท่านรู้แจ้งแทงตลอดในอจในธรรมจริงจังมาสแสดงสู่จุกเรา ผีเงเงาเตาตุ่นสีนี้พิเรนหามานะทีิทฟังคนที่รู้ที่เขาใจอาจทำแท็กเกินอย่างนั้นมันหายากันใจใจมีอยู่ทุกวัดทุกว่าทุกตำบลอำเภอหรือจังหวัดไปหายยากยิ่งกว่าแกวเย็นเพชพลอยซิอีกเพราะจึงเหล่านั้นถึงเป็นต้องมีค่าทางโลกเขา ยิงยอมโงสอบกันห้าคนมีเงินมีทองไปซื้อเอาที่ไหนมันก็พอได้แต่ธรรมะนี่มีอยู่ในจิตในใจของบุคคลทิ่สิ้นไปจากอาสวะกิเลส น, นั้นเราจะมีเงนินอยู่พันล้านสี่แสนล้านก็เป็สามาาถที่จะซื้อธรรมะนั้นมาสู่ใจของเราได้ มันจือเป็นของยากมีหมายถึงพู ด, แ ด, ด้แสดงหายากแล้วผู้ฟังก็าหายากอีกเหมือนกันโดยคนใหญ่ฟังเพียดสมัยนี้ถือว่าฟังเพีดเอาบุญถ้าังเพีดเอาบุญถ้าหน่อยเถอะเพียงแค่นั้นจะฟังการเสียเหตุสวดผลแก้ไขที่เหตุในจิตในใจข้งตน ฟังแล้วนำทมที่ท่านแสดงไปใส่จิตติดตามแลมะลงมือกปเทื่ปฏิบัติรู้เห็นี่เดชปัญหาตกไปหลุดไปจากจิตใจของตัวตามที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านนำมาเล่ามาแสดงนั้นมันหายาก จังว่าจิตสังกับธรรมะสวรัณนาการได้ยินเหลืฟังธรรมเป็นของยากนี่หมายถึงธ <c oughs> รรมะาภายนอกออกจากปากของคนอื่นที่มาแนสอนจะให้เราเข้าใจในอาจในธรรมถึงความสงบระงับดับจิเลตนั้นมันยากเราฟังมากันับครูนับอาจารย์ในได้นับปัดนับว่านในได้แต่จิเลต อย่มีอยู่ในใจนั้นก็ไม่มีอะไรหลุนหล่นออกไปยังคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมแต่ถ้าขยับเข้ามาเป็นธรรมาาีิฐานที่่ันกล่าวเอาไว้จิตสังสั่ธรรมอสตะวานังนั้นหมายถึงการฟังธรรมในจิตในใจของตัวเองควรี่ตึกหัดปฏิบัติศาสนา ขาดสติปัญญาความยร่สาวะธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้เดยเกิดผลอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่ในจิตในใจเกียจิตเข้าไปสัมผัสกับธรรมะตลอดการตลอดเวลาสติรู้ปัญญาสอดส่องตัวตาที่เจรณนาดูทุก ทุกเวลาที่เรานัง่งเราเดินเราโยนเรานอนนอกจากลัากาสตรดีว่าระยะนี้จิตของเรามันอยู่ในวงกางอัดแฉ่งทำไม่มีเรื่องอื่นที่จะมาโยงเกี่ยวจิตใจของเราเราฟังอยู่ตลอดเวลาธรรมะที่เกิดจากขาดจากขันก์ดีเกิดจากสังขารภายในกัดี ไม่มีความประมาทหรือขยาใจิตระยะทิกเวลาสรวจตาที่เจ้านายจิตอยู่เรื่อยๆทำปูนคล้องใจก็ปูนไปเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนยื่นจันทรหาของตัวนี่หมายถึงที่จะจี้บัตรเป็นธรรมะภายในถึงได้ที่เป็นภัยอันตรายหรือเป็นศัตรูหรือเป็น เรื่องของกิเลสมันซึมมันจิตจิตเหนื่อรฉันทราบทุกระยะทุกเวลาดับมันไปไม่ให้มันก่อควนจิตใจไม่ให้มันฝังอยู่ภายในของตัวพราะกิเลสอยู่วความชั่วความเสียเมื่อเราปล่อยเอาไว้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 ใน้หลไหลไปฝันไปตามเรื่องภายนอกปฏิบัติใหม่ๆจะต้องลบจะต้องตัดเรื่องภายนอกออกไปอยู่เรื่อยๆเพราะเรื่องภายนอกสําคัญใจของพวเราท่านไม่มีสจิตเพียงพอยอมหลัวไหลไปตามสัญญาอารมณ์หยุดเสียงดิง่มลดต่างๆนั่นคือเรื่องภายนอก ความจริงสู้ประกอบกรปฏิบัติเข้าถึ่อาจทำจริงจังเรื่องภายนอกไม่ได้ไมายุ่งเกี่ยวมีแต่สังขารความปรุงคิดของจิตเกิดขึ้นชั่วดีผิดถูกอะไรทราบแล้วก็กำจัดปัดเป่าอารมณ์ัชิงยาห น, นนั้นหรือสังขารนนันนั้นให้หมดไปเใจไม่ได้จึงไม่ได้คิด ในเด็กจิตคล่องในสัญญาอารมณ์เหมือนก่อนก็ถือว่าอันนี้เป็นเกี่ยนหนาม <c oughs> เป็นภัยอันตรายมีหมายถึงจิตใจผู้ปฏิบั ต, บติที่เข้าถึงธรรมะขันถือเรื่องสังขารความปุงท่องใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำจิตทำใจให้ว่าวุ่น เดือดร้อนสิ่งเช่องต่างๆแต่เมื่อปฏิบัติใหม่ๆในเป็นอย่างนั้นตาเห็นรูปก็อชอบใจบางทีรูปที่ไหนต้องการในหน้าดูหน้าชมก็เบื่อหน่ายจิตใจเลยไปอยู่เรื่อง้างนอกเพราะเรายังปลอมจิตของเรายังไม่ได้มันแสสายมันติดข้องกับเรื่องภายนอก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 หลายนาทีหรือหลายชั่วโมงกว่าจะวัคซีิของเรามันไม่ต่อเนื่องกันปัญญาของเราไม่ทันกับเรื่องของกิเลสพอเมื่อเราฝึกเรื่อยพอไปใจมันอยู่ภายในเรื่องภายนอกเลยมในเวลาหยุงเกี่ยวจริงๆมันคล่องจิตเป็นปัญญาอารมณ์อดีตหรืออนาคตนั้นมันเกิดขึ้น จากภายในคือตึงขึ้นจากใจขั้งตัวแล้วถ้ามีสติทุกระยะทุกเวลาก็ทราบว่าอันนี้เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายเสียเป็นฝ่ายอากุศลธรรมเมื่อทราบก็มีทางที่จะกำจัดขับไล่หรือปัดเต่า อ, ออกไปถ้าม่ทราบสิ่งเหล่านั้นก็มาดองอยู่ในจิตในใจทั้งตัวเป็นเวลายาวนาน แต่ผมพยายามแก้ไขเพราสาบดีว่าสิ่งนี้มันชั่วมันเสียการที่เจนาทำจึงเป็นเรื่องทุกคนสิตควรสนใจหักห้ามแก้ไขจิตใจสิ่ิตล้องไม่ว่าฝ่ายที่เราชอบหรือไม่ชอบจะต้องแก้ไขถ้าใจได้ชอบ ปกคือใจในปกติใจในชอบปกผู้ใจในปกติมีให้ทุกทั้งสองทางชอบมันก็เกิดทุกข์เพราะสิ่งที่เราชอบเราจิดบางสิ่งบางอย่างมันเกาไม่ได้ตามความปรารถนาของตัวเมื่อไม่ได้ตามปรารถนาะก็เกิดทุกข์เกิโดโทษสิตเมื่อได้ตามปรารถนาะที่งเราชอบเราหวงแหนเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้น โดยส่วนใหญ่หรือโดยทั่วไปมันก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาเมได้ตามความปารนาของใจมันก็เกิดทุกข์เกิดไครแผลเขาเร่าร้อนฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทีนิ้ที่เจ้านะเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรทั้งหมดรูก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารมณ์ก็ดีสึ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้ามันเกี่ยงตามความป่าถนาของคนโลกอันนี้จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะมันไม่มีอะไรเสื่อมเสียไปหรือสลายไปสุดถึงรูปก็จะแน่นโลกจนไม่มีที่จะพักจะอาศัยเสียงก็เหมือนกันมันจะหมวกหูจนเจ้าหูแตก เสียงที่เราชอบเรายินดีนั้นมันมีมากถ้าหากมันยังอยู่คงเส้นคงวาแล้วสุดดาอะไรกันก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นจะพักผมเมื่อเป็นอย่างนั้นทุกหนทุกอันที่มีมาในโลกอันนี้มันเป็นอ น, นิจจังคือไม่เที่ยงจิตใจของเราสุกพุทธปฏิบัติสุกขั้ภาวนา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 แต่ความยึดความถือสค่งใจที่ไม่มีธรร ม, มะไม่ทราบตามความเป็นจริงมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ศาสนาอยญ่ใจ่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไปเป็นไปอย่างนี้มันเลยเกิดทุกข์ในจิตในใจนี่คือจิตใจโดยทั่วไปยังไม่ถึงธรร ม, มะไม่เป็นธรร ม, มะเข้าใจอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น คนทั่วไปจึงบ่นทุกข์กันถ้าหากจิตใจที่มีธรรมะมีแจ้งในธรรมะเห็นธรรมะท่านพูดไปก็าพูดไปตามเรื่องทของโลกเรื่องสมมติแต่ความบริสุทธิ์ความจริงแั้งใจนั้นท่านไม่เป็นไปไปตามเรื่องผาดขันไม่ได้เป็นไ ป, ไปตา ม, เ ร, า ม, เ, ตามเรื่องสมมติท่านทราบท่านคอยใจในตัวของท่นท่านมีการหวั่นไหว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 เพราะเข้าใจรูหเห็นตามเป็นจริงข้องมันส่วนเราท่านไม่อย่างนั้นมันหลงไหลอารมณ์ข้องใจถ้าท่างขิดจริงเหล่านั้นไม่มีอยู่ในทีน่นี้ในที่เรานั่งในที่เราภาวนาจะจะแฉท้องจิตจิตชี้ตรงไปยึดถือไม้มัมนปั่นยอขึ้นมาบางคนนั้นดุดา่าดาตา เราอย่างนั้นอย่างนี้สิงที่ไม่ดีไม่ชอบบัญยังโส ด, ดเขาได้ท่าใช้สต่ลมคิดเขาว่าเสียงที่เขาพูดมันดับไปนานแล้วแต่จับเอามาคิดดูมันยังโสดไ ด, ด้ยังหลงไปด้อย่างความรักความชอบใจกว่าทํานองเดียวกันนี่คือสติในทันปัญญาไม่แหลมขมพอจิตจะตัดปัญญา ขัางขางของตัวมันเลยเกิดความทุกข์เลยเกิดโทษแก่ตัวของตัวว่าจิตในสจงบจิตยุ่นวายจิตตายแสบต่ใครเล่าเพราะไม่เยื่ยุให้เราไปคิดไปปรุงอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านในสอนแตเราไปยุ่งเกี่ยว สอนให้เราแกะไขใจของเรา ใ, ใจของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวยุ่เสีย ง, ยงเรื่องราวต่างๆมีอยู่ทั่วโลกเพราะผูใ้ใจเจ้าหรืออริยะสาวกท่านต้องมีหิวมีต า, ม, ตามีตายมีใจเหมือนกันกันกบพวกเราแต่ท่านทาไมยังมีความสุขความสบายภายในของท่านเพราะท่านอู้มทันสติของท่านทันปัญญาของท่านสามารถแกะไขขับไล่ มีไม้ถึงเสษยาบุคคลคือบุคคลที่ยังศึกษาท่านจะต้องตั้งหน้าตั้งตางทีนี้พิ่เจนาดูจิตของตัวอยู่ทุกระยะทุกการในใจิตไปโยคข่องไปยึดถือในสิ่ตงต่างๆพิ่เจนาโดยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงจะจิตจะได้ละได้วาง ได้พอดได้ถอนความยึดถือ น, นั้นนั้นออกไปจากตัวของตัวนี่คือการฝึกจิตเอบรมใจเพื่อแก้ไขความขัดข้องยุ่งเยิงแต่ที่จเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะตัดขาดนั้นมันก่แล้วแต่อำนาจบาณนาแล้วแต่สติปัญญาเหมือนกันกันกบต้นไม้ถ้ามันต้น ใหญ่ต้นโตตัวตรงใช้เวลานานมีความเพียพรพยายามตัดอยู่เรื่อยๆในทอดภูระไในขาดเมื่ อ, อไรเราจะตัดอยู่นี้มุ่งใจจะตัดให้ขาดให้ด้าสูก ภ, ภาวนาภูระากิเลสก็ทำนองเดียวกันถึงกิเลสมันใหญ่โตขนาดไหนก็พยายาม ทีนี้ที่ใจนาแจกไขขับไล่ปัญญาอรมคล้องใจขับไล่ความยึดมั่นผืมั่นค้องใจให้หลุดให้ตกออกไปด้วยสติด้วยปัญญาจนเกิดเป็นวิชายหมดสิ้นถ้ายัางไม่เจ็นไม่เห็นอย่างนั้นก็พยายามทํากันอยู่เรื่อยๆไม่อ ย, ยอมสอดถอยไม่ยอมอถอดทุระนี่คือฝูภาวนา เพ่อจะแก้ไขใจของตัวหยุด ท, ที่จะมีความเชื่อเนี่ยมั่นคงอย่างนั้นต้องอาศัยการฝึกการอบรมมาเทียบก่อนเห็นคว า, ามสงบสุขของจิตในทางสมาธิมาพอสมควรทำอะไรแนวแน่ในสิ่ง น, นั้นถ้าจิตยังไม่มีความมั่นคงไม่มีสมาธิ อยากได้อยากเห็นอยากเจนอยากรู้กําหนดอะไรมันก็อไม่เคยเอาจริงเอาจังให้กาหนดอันนี้ก็รัวไหลไปถูกอารมณ์อันใหม่เสียกําหนดอันนั้นมันก็รัวไหลไปอีกมันก็เลยไม่ได้เรื่องในราวอะไรกันขัดจิงนให้ฝึกเรื่องสมาธิคือความตั้งมั่นของใจไห้สมบูรณ์เสียก่อน การฝึกจิตฝึกใจนั้นก็เคยแนะนำถ้ำสอนมาพอสมควรในใ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาเพราะพระธมรมฐานโดยส่วนใหญ่ท่านเมสอนออกไปจากกายจากใจสอนฝึกกายฝึกใจในทางศีลสมาธิปัญญาทุกท่านไป วิธีที่ท่านสอนโดยส่วนใหญ่องใดที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาได้วิ่ชาความรู้จากการปฏิบัติของตัวอย่างไรท่านก็นำสิ่งนั้นแหละมาสอนเราในใ่ท่านเอามาจากที่อื่นมาอย่างนั้นพูดไปอย่างใหม่มันก็ไม่ถึงใจเพราะท่านเคยชี้แยยนน่าอย่างไรท่านก็เอาคาสอนที่ท่านสอนตัวของท่าน ให้มีความสงบเย็นนั่นนั้นมาสอนเราต่จะเข้าถึงจิดถึงใจเรานั้นหรือไม่นั่นมันเป็นอีกประเทหนึ่งท่านชอบฉันอันนั้นทานอันนั้นว่ามันมีรสชาตของท่านแต่ฝ่าอื่นคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่นั่นมันเป็นอีกคนละเรื่องแล้วลูกแต่ความริงการจะทำจิตใจนั้น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 คนใดเขากําหนดอะไรบริกรรมอะไรทําอะไรเพื่อความสงบของใจเขาได้เราถือเอาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาหรือตัวของเราเองก็เหมือนกันตัูอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นแต่เรามาฝึกปฏิบัติมันเม่เป็นไปให้แต่เมื่อมันจะเป็นไปเราได้กาหนดอันนี้เราได้พิจารณาอันนี้มันจึงสะกำนดให้เราก็ถือเอาส่วนนั้น เพราะธรรมะนั้นมีมากสิงใดที่ทำหยุดทําใจให้สงบระงับเป็นธรรมะท้งนั้นไม่ใช่ว่ามีอยู่ในตํำรับตาลาจึงจะเป็นธรรมะนอกตำรับตำลาไม่ใช่ธรรมะมันเป็นธรรมะทั้งหมดจากกาหนดให้ได้รับความสงบได้รับความสุขความเย็นของใจ ฉะนั้นจริงไหมน่าจะสงสัยเราทำอะไรลงไปด้วยความตั้งใจทำอะไรลงไปเห็นอัศจรรย์เห็นความสุขความสงบนั้นมันถูกทุกอย่างไปถึงในมีในตหลับตรางหรือครูบาอาจารย์ในนีสอนมันเด็ดผลจากการบำเพ็ญขรงตร้นก็ให้ทำไม่ผิดหยุดจากในมีความสงบ ด้านสมาธิถึงไราจะที่นี้พิจารณาอะไรมันก็ตายเป็นสัญญาลมไปในสมาธิจะแก้ไขละถอนได้แต่นั้นสมาธิจึงเป็นเรื่องจำเป็นในมรรคแตกตัวมีสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายที่มีอยู่ในมรรคจจะต้องมุมเพนให้เป็นสมาธิเสียก่อน สมาธินั้นมันกดหมายถึงความสงบของใจความลงรวมของใจความแนว่วแน่ของใจถ้ามันไม่สงบลงรวมไม่แน่วแน่ได้ที่เจนาอะไรมันจิงไม่ตัดไม่ขาดถึงพูดได้แต่มันจิตใจมันไม่เป็นไปตามํำพูดของตัว หาดมันเป็นไปภายในจิตในใจจริงจังนั้นพูดนิดหน่อยเท่านั้นมันก็มีคุณค่ามีสาระเพราะมันเป็นมันเห็นอย่างนะสมัยพุทธกาลท่านมเครส อ, อนกันหยุดยาวเท่าไรโดยส่วนใหญ่สอนก็มาฐานให้ไปฝึกเพียงคำสองคานิดๆหน่อยๆเท่านั้ น, น, น, า ท, า น, น, น, นท่า น, นไปฝึกจนจนจนเป็น สองท่านเนื้อันกับเราจุดไฟจับเผาป่าหรือเผาสวนไม่ต้องไปจุดทุกทิศทุกทางเชื่อมันมีผั่วสวนแล้วจุดลงในที่เดียวเท่านั้นมันก็ไหม่กับเผากันไปผัวสวนเชื่อมีอยู่ที่ไหนไหม้ไปหมดถ้ามันเชื่อติดต่อกันมันเป็นอย่างนั้นนี่กวาทำนองเดียวกันในคิดกันเราคิดารณาอะไร ลงไปเรื่อยใจเป็นอัดเป็น ร, รมสึ่งที่มันสงสัยมันขัดข้องในจิตในใจมันจะลามจะไหม้ไปหมดคือนำกาหนดที่นี้ทีรณาไปเลยเรื่อยเมื่ อ, อจิตเข้าไปถึงเรื่องของธรรมมันไม่ปล่อยวางละถอนเนการทิจารณานั้นสำคัญยิ่งกว่าการ สงบของใจเพราะการสงบของใจมันอยู่เอกเทศอยู่สงบเท่านั้นแต่ถอดถอนออกมายุเหลดปัญหาที่เคยมีอยู่มันกลลกวนอีกแต่การที่เจนานี้เมื่อมันรู้มันเห็ น, ม, น, นมันต่อยใจชัดเจนมันต่อยมันวางยุเหลดหน้านั้นไม่ ม, มาลกวนจิตใจอีกที่ตัดหักจากสิก่งที่สงสัยในจิตในใจ มีหมายถึงขันวิปัชนามีสมาธิหนุนหลังแต่เมื่อพิจารณาไปบางทีมันก็เลยเถิดเลยแดนจนหลักสมาธิเนี่ยเป็นของสำคัญนี่เือเรื่อเยเถิดจนไม่อยากพักผ่อนพิจรนราอะไรก็เผิดเทินด้วยไปี่สุดเลยเกิดสงใสเขากำลังสมาธิในเตียงพอ